พระไตรปิฎกเล่มที่สิอ็ระสุตรที่9กาอาตานาติยสูตรว่าได้มนต์เครื่องรักษาชื่ออาตานาติยะสมัยหนึ่งพระราผู้มีพระภาคประทับอยู่ณภูเขาคิชกูดเขตก ร, รุงราชพฤก์ครั้งนั้นท้าวมหาราช ท, ทั้งสคือท้าวทตรดมีคนทันเป็นบริวารท้าววิรุณหกมีกุมพันเป็นบริวารท้าววิรุ ป, ปัก มีนาคเป็นบริวารท้ากูเวนหรือเวสวรรแต่คนไทยมักเรียกว่าท้าเวสุวรรณนะครับมียักษ์เป็นบริวารท้ามหาราชทั้งสี่ร้อมเหล่าบริวารเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สงควรปายักษ์เหล่านั้นบางพวกถวายอภิวาตพระผู้มีพระภาค บางพวกประนมมือไปทางที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่แล้วนั่งบางพวกประกาศชื่อลัตระกูลบางพวกนั่งนิ่งเฉยเทวเวสวร์มหาราชกราบทุลพระผู้มีพระภาคว่ายักษ์ที่ไม่เลื่อมใสพระผู้มีพระภาคก็มีที่เลื่อมใสพระผู้มีพระภาคก็มีโดยมากยักษ์ไม่เลื่อมใสพระผู้มีพระภาคเลย พราะพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมเพื่องดเว้นจากการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์การประพฤติผิดในกรมการพูดเท็จการเสพของมึนเมาคือสุราและเมรยัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทแต่โดยมากพวกยักษ์ไม่งดเว้นจากสิ่งเหล่านั้นการที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมเพื่อการงดเว้นนั้นจึงไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบใจของยักษ์เหล่านั้น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 ขอนอบน้อมพระสิกขีพุทธเจ้าผู้ทรงอนุเคราะห์แก่สัตว์ทั่วหน้าขอนอบน้อมพระเวสภูพุทธเจ้าผู้ทรงชำระกิเลสมีความเพียรขอนอบน้อมพระกกจุสันธพุทธเจ้าผู้ทรงย่ำยีมารและกองทัพมารขอนอบน้อมพระโกนาคมณะพุทธเจ้าผู้มีบาปอลอยแล้วอยู่จบพรหมจรรย์ขอนอบน้อมรพระกัสสปะพุทธเจ้า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 ปราศจากความคลั่นคร้ามเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนอบน้อมพระพุทธเจ้ากูโคตมะโคตพระองค์ใดส่งเกื้อกูลแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายรทารงเพียบพร้อมด้วยวิชาและจารณะเป็นผู้ยิ่งใหญ่ปราศจากความคลั่นคล้ามพระสุริยะคือพระอาทิตย์มีมวทนใหญ่ขึ้นทางทิศใดเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นกลางคืนก็หายไป และเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นเรียกกันว่ากลางวันในที่ที่พระอาทิตย์ขึ้นนั้นมีห้วงน้ําลึกคือมหาสมุทรที่เต็มด้วยน้ําชนทั้งหลายรู้จักห้วงน้านั้นว่าสมุทรที่เต็มด้วยน้าคนเรียกทิศนั้นว่าทิศนั้นเป็นทิศตะวันออกจากภูเขาสินเนรุนี้ไปซึ่งเป็นทิศที่เท้ามหาราชผู้มียศอ ง, งนั้นอภิบาลอยู่เท้ามหาราชนั้น มีพระนามว่าทัตตารส่ทรงเป็นหัวหน้าของพวกคนทันมีคนทันแวดล้อมทรงโปรโดปรานการไรา้รมและการขับร้องข้าพระพุทธเจ้าได้สดับมาว่าแมโอรสของท้าทัตตรสจะมีมากก็มีพระนามเดียวกันคือทั้งเก้าสิบเอ็ดองมีพระนามว่าอินทะต่างมีพลังมากท้าวทัตตรสและพระโอรสเหล่านั้น เห็นพระพุทธเจ้าผู้ตื่นแล้วผู้เป็นเผ่าพันุ์แห่งพระอาทิตย์ผากันถวายอภิวาสพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้ยิ่งใหญ่ปราศจากความครั่นคล้ามแต่ที่ไกลข้าแต่พระผู้ทรงเป็นบุรุษอาชาในข้าพระพุทธเจ้าขอนอมน้อมพระองค์ข้าแต่พระองค์ผู้ทรงเป็นบุรุษสูงสุดข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมน้อมพระองค์ขอพระองค์โปรดรวดูด้วยพระญาณอันฉลาดเถิด แมอามนุษย์ทั้งหลายก็ถวายอภิวาพระองค์ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็ได้สดับเรื่องนี้มาหนึ่งเหนืองฉะ น, นั้นจึงกราบทูลเช่นนี้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายเคยถามพวกอามนุษย์ว่าพวกท่านถวายอภิวาสพระจินโคดมหรือพวกอาบรรณุษตอบว่าพวกเราถวายอภิวาสพระชินโคดมข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย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 ซึ่งเป็นทิศที่ท้าวมหาราชผู้มียศองค์นั้นอภิบาลอยู่ท้าวมหาราชนั้นมีพระนามว่าวิรุณหะหรือวิรุณหกทรงเป็นหัวหน้าของพวกกุมพันธ์มีกุมพันธ์แวดล้อมทรงโปรดปรานการร้รำและการขับร้องถ้าพระองค์ได้สดับมาว่าแมโอรสของท้าววิรุณหะจะมีมากก็มีพระนามเดียวกันคือทั้งเก้าสองค์มีพระนามว่าอินทะ ต่างมีพลังมากท้าวิรุฬหะและพระโอรสเหล่านั้นเห็นพระพุทธเจ้าผู้ตื่นแล้วผู้เป็นเผ่าพันธ์แห่งพระอาทิตย์พากันถวายอภิวายพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้ใหญ่ยิ่งปราศจากความครั่งครามแต่ที่ไกลข้าแต่พระองค์ผู้ทรงเป็นบุรุษอาชาในข้าพระพุทธเจ้าขอนอบน้อมพระองค์ข้าแต่พระองค์ผู้ทรงเป็นบุรุษสูงสุดข้าพระพุทธเจ้าขอนอมน้อมพระองค์ ขอพระองค์โป ร, โรดตรวจดู ด, ด้วยพระญาณอันฉลาดเถิดแม้อามนุษย์ทั้งหลายก็ถวายอภิวาสพระองค์ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็ได้สดับเรื่องนั้นมาหนึ่งเนืองฉะนั้นจึงกราบทูลเช่นนี้ข้าพระองค์ทั้งหลายถามพวกอามนุษย์ว่าพวกท่านถวายอภิวาสพระชิ น, นะโคดมหรือพวกอามนุษย์ตอบว่าพวกเราถวายอภิวาสพระชิ น, นะโคดมข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย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 คนเรียกทิศนั้นว่าทิศนั้นเป็นทิศตะวันตกจากภูเขาสินเนรุนี้ไปซึ่งเป็นทิศที่ท้ามหาราชผู้มียศองค์นั้นอภิบาลอยู่ท้ามหาราชนั้นมีพระนามว่าวิรุปักทรงเป็นหัวหน้าของพวกนาคมีนาคแวดล้อมทรงโปรดปรานการไรายรำและการขับร้องข้าพระพุทธเจ้าได้สดับมาว่าแหมโอรสของท้าวิรุปักจะมีมากก็มีพระนามเดียวกัน คือทั้งเกองค์มีพระนามว่าอินทะต่างมีพลังมากทาวิรูปักและโอรสเหล่านั้นได้เห็นพระพุทธเจ้าผู้ตื่นแล้วผู้เป็ น, นเผ่าพันธแห่งพระอาทิตย์พากันถวายอภิวาสพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้ยิ่งใหญ่ปราศจากความคลั่นไคล้แต่ที่ไกลข้าแต่พระองค์ผู้ทรงเป็นบุรุษอาชาในข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมน้อมพระองค์ข้าแต่พระองค์ผู้ทรงเป็นบุรุษสูงสุด ข้าพระพุทธเจ้าขอนอบน้อมพระองค์ขอพระองค์โปรดตรวจ ด, ดูด้วยพระญาณอัญชลาเถิดแม้อามนุษย์ทั้งหลายก็ถวายอภิวาสพระองค์ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็ได้สดับเรื่องนี้มาเนืองๆฉะนั้นจึงกราบทูลเช่นนี้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายถามพวกอาบรรณุษว่าพวกท่านถวายอภิวาสพระจิ น, นโคดมหรือพวกอามนุษย์ตอบว่า พวกเราถวายอภิไวพระชินะโคดมข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอถวายอภิไวพระพุทธโคดมผู้เพียกร้อมด้วยวิชาและเจรณะอุตรากูรุทวีปเป็นรมนียสถานมีภูเขาหลวงชื่อสีนเนรุแลดูงดงามตั้งอยู่ทางทิศใดพวกมนุษย์ซึ่งเกิดในอุตรากูรุทวีปนั้นไม่ยึดถือสิ่งใดว่าเป็นของตนไม่ถือครอง มนุษย์เหล่านั้นไม่ต้องหว่านพืชไม่ต้องนำไถออกไถหมู่มนุษย์บริโภคข้าวสาลีอันผลิตผลในที่ที่ไม่ต้องไถพวกเข้าหุงข้าวสาลีอันไม่มีรำไม่มีแกลบบริสุทธิ์มีกลิ่นหอมมีเมล็ดเป็นข้าวสารบนเตาอันปราศจากควันละฐานคือเป็นเตาที่มีความร้อนในตัวเองและบริโภคโภชนะจากที่นั้น พวกเขาใช้แม่โคแทนม้ากีบเดียวแล้วเที่ยวไปสู่ทิศน้อยทิศใหญ่ใช้สัตว์เลี้ยงแทนม้ากีบเดียวและเที่ยวไปสู่ทิศน้อยทิศใหญ่ใช้หญิงเป็นพาหนะคือเทียมยานลากไปแล้วเที่ยวไปสู่ทิศน้อยทิศใหญ่ใช้ชายเป็นพาหนะใช้เด็กหญิงเป็นพาหนะใช้เด็กชายเป็นพาหนะแล้วเที่ยวไปสู่ทิศน้อยทิศใหญ่พระสนมทั้งหลายของท้าวมหาราชนั้นก็ขึ้นสู่ยานเหล่านั้นตามห้อมล้อมไปทุกทิศ ยานช้างยานมา้ายานทิพ ป, ปราศาสตร์และวอบังเกิดแก่เท้ามหาราชผู้มียศเท้าเธอทรงมีเมืองหลายเมืองที่สร้างในอากาศคือเมืองอาตานาตาเมืองกุสินาตาเมืองปะระกุสินาตาเมืองนาตาป ร, ปริยาเมืองปะระกุสิตนาตาทางทิศเหนือก็มีเมืองกบปีวันตะและมีอีกเมืองหนึ่งชื่อชโนค อีกเมืองหนึ่งชื่อนวนวติยะและมีอีกเมืองหนึ่งชื่ออัมพระอัมพระวะติยะมีราชธานีชื่ออลกักมันธาข้าแต่พระองค์ผู้นิรุกุ์ททาภูเวณมหาราชมีราชธานีชื่อวิสานาฉนั้นมหาชนจึงเรียกเทาภูเวณมหาราชว่า้าเวสวร์ยักษ์ชื่อตะโตลา ชื่อตันตลาชื่อตะโตตลาชื่อโอชสีชื่อเตชสีชื่ออัตะโตชสีชื่อสุระชื่อราชาชื่อสุโรราชาชื่ออริทธ a ชื่อเนมิชื่ออริ t h เนมิต่างทำหน้าที่หาข่าวและประกาศให้ทราบข้อนี้คือยักคู้ครองเมืองแต่ละตนแยกกันทำหน้าที่ดูแลรักษาผลประโยชน์ของเมืองนั้น และแจ้งข่าวแก่ยักษ์ผู้เฝ้าประตูในทิศ ต, ต่างๆสิบสองทิศของวิสานาราชธานีเพื่อให้นําไปถวายแก่ท้าเวสวรร์ในวิสานาราชธานีนั้นมีห้วงน้ําชื่อธรณีซึ่งเป็นเหตุให้เกิดเมฆเกิดฝนตกในวิสานาราชธานีนั้นมีสภาชื่อพระละวดีเป็นที่ประชุมของพวกยักษ์มีต้นไม้ทั้งหลาย ผลิผลเป็นนิดดาราดาด้วยหมูนกชนิดต่างๆสะบัวของท้าวกุเวนนั้นจึงงานตลอดการทุกเมื่อคนเรียกทิศนั้นว่าทิศนั้นเป็นทิศเหนือจากภูเขาสินเนรุนี้ไปซึ่งเป็นทิศที่ท้าวมหาราชผู้ทรงยศองค์นั้นอภิบาลอยู่ท้าวมหาราชนั้นมีพระนามว่าท้าวกุเวนทรงเป็นหัวหน้าของพวกยักษ์มียักษ์แวดล้อม ทรงโปรโดปราณการร่ายรำและการขับร้องข้าพระพุทธเจ้าได้สดับมาว่าแม้อรสของท้าวคูเวนจะมีมากแต่มีพระนามเดียวกันคือทั้ง9กองค์มีพระนามว่าอินทะต่างมีพลังมากท้าวคูเวนและโอรสเหล่านั้นได้เห็นพระพุทธเจ้าผู้ตื่นแล้วผู้เป็นเผ่าพันถึงพระอาทิตย์พากันถวายอภิวาสพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้ยิ่งใหญ่ปราศจากความคลั่นคล่มแต่ที่ไกล ข้าแต่พระองค์ผู้ทรงเป็นบุรุษ อ, น อ, น อ, อาชาในข้าพระพุทธเจ้าขอนอบน้อมพระองค์ข้าแต่พระองค์ผู้ทรงเป็นบุรุษสูงสุดข้าพระพุทธเจ้าขอนอบน้อมพระองค์ขอพระองค์โปรดตรวจดูด้วยพระญาณอัญฉล่าเถิดแม้อามนุษย์ทั้งหลายก็ถวายอภิวาสพระองค์ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายได้สดับเรื่องนั้นมาเนืองๆฉะนั้นจึงกราบทูลเช่นนี้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ถามพวกอมนุษย์ว่าพวกท่านถวายอภิวาสพระชิน a c o c k d หรือพวกอามนุษย์ตอบว่าพวกเราถวายอภิวาสพระชิน a c o c k d ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอถวายอภิวาสพระพุทธโคดมผู้เพียบพร้อมด้วยวิชาและจรณะข้าแต่พระอโอมกุนิระทุกนี้แหละคือมนต์เครื่องรักษาชื่ออาตานาติยะนั้นเพื่อคุ้มครองเพื่อรักษา เพื่อไม่ถูกเบียดเบียนเพื่ออยู่สำราญของภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายผู้ใดก็ตามเรียนมนต์เครื่องรักษาชื่ออาตานาติยะนี้จนจบครบบริบูรณ์แล้วหากว่าอมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นยักษ์คนทันกุมพันหรือนาคมีจิตประทุษร้ายภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาอมนุษย์นั้นไม่พึงได้สการะเคารพ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 ชัดถ้อยชัดคำไม่อ้อมค้อมอมนุษย์ทั้งหลายพึงเอาบาดเปล่าครอบศีรษะอามนุษย์นั้นอมนุษย์ทั้งหลายพึงพาศีรษะอามนุษย์นั้นออกเป็นเจ็ดเสียงข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์มีอามนุษย์ทั้งหลายที่ดุร้ายโหดเหี้ยมทำเกินเหตุอมนุษย์เหล่านั้นไม่เชื่อฟังเท้ามหาราชไม่เชื่อฟังเสนาบดีของเท้ามหาราช ไม่เชื่อฟังผู้ช่วยเสยนาบดีของท้าวมหาราชอมนุษย์เหล่านั้นเรียกว่าเป็นศัตรูของท้าวมหาราชข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกดิ์อมนุษย์ผู้ใดผู้หนึ่งไม่ว่าจะเป็นยักษ์คนทันกุ่มพันหรือนาคมีจิตประทุษร้ายภิกษุภิกษุณีอุบาสกหรืออุบาสิ ก, กาพึงกล่าวโทษร้องทุกข์ร้องเรียนต่อยักษ์มหายักษ์เสนาบดียักษ์ มหาเสนาบดียักษ์เหล่านี้คืออินทะโสมะวรุณะภารัวาชะปะชาบดีนจันทนะกามเสตทะกินนุคันธุนิคันธุปนาทะอบปมัญญะเทวสูตะมาตาลิจิตเตเสณะขันท พ, พะนโลราชาโชโนสะพะสาตาคิระเหมวตตะปุนณกกัศกรติยะคุละ สิวกะมุจลินทะเวสสามิตรยุคันธระโคปาละสุปเคทะอิบริเนติมันทิยะปัญจาลจันทะอาลาวกะปะชุนนะสุมนะสุมุขะทัทิมุขะมนิมณิจระทีคะรวมทั้งเสรีส ก, กะด้วยพุทธบริษัทพึงกล่าวโทษร้องทุกข ร้องเรียนต่อยักษ์มหายักษ์เสนาบดียักษ์มหาเสนาบดียักษ์เหล่านี้ว่ายักษ์มีสิงยักษ์นี้เข้าสิงยักษ์นี้ระรานยักษ์นี้รุกรานยักษ์นี้เบียดเบียนยักษ์นี้บีบคั้นยักษ์นี้ไม่ยอมปล่อยฆ่าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์นี้แหละคือมวลเครื่องรักษาชื่ออาตานติยะเพื่อคุ้มครองเพื่อรักษาเพื่อไม่เบียดเบียน อ, อยู่สําราญของภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายจากนั้นเท้ากูเวยหรือท้าเวสว ร, รันได้กราบทูลลาครั้งนั้นเท้ามหาราชทั้งสี่ลุกจากที่ประทับถาวายอภิวาสพระผู้มีพระภาคกระทําประทักษิณและอันตรธานคือหายตัวไปณที่นั้นเองแม้พวกยักษ์เหล่านั้นก็ลุกจากที่นั่ง บางพวกก็ถวายอภิวาสพระผู้มีพระภาคและอันตรทานไปบางพวกประนมมือไปทางที่พระผู้มีพระภาคและอันตรทานไปบางพวกประกาศชื่อละโคดและอันตรทานไปบางพวกอันตรทานไปอันตรทานไปเสียเฉยๆณที่นั้นเองเมื่อราตรีนั้นล่วงไป ระพูมีพระภาครับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสเล่าถึงเรื่องทั้งหมดให้ฟังและตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าเธอทั้งหลายจงเรียนมนเครื่องรักษาชื่ออาตานาติยะจงทรงจำมนเครื่องรักษาชื่ออาตานาติยะไว้ภิกษุทั้งหลายมนเครื่องรักษาชื่ออาตานาติยะนี้ประกอ บ, บด้วยประโยชน์เพื่อคุ้มครองเพื่อรักษา เพื่อไม่เบียดเบียนเพื่ออยู่สําราญของภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายจบอาตานาติยะสูตรหมายเหตุผู้อ่านขอให้สังเกตบทสวดจากพระสูตรนี้นะครับที่คนรุ่นหลังเอามาสวดเป็นบทสวดที่เรียกกันว่าสวด่านยักษ์และทำเป็นพิธีกรรมมีของขึ้นมีผีเข้ากันนะครับ ก็อยากให้พิจารณาให้ดีเมื่อเราแปลคำบาลีออกมาก็จะเห็นได้ว่าเนื้อความสำคัญของการสวดมนต์แต่ละบทเราต้องแปลและเข้าใจเมื่อเข้าใจบทนี้แล้วก็จะเห็นว่าเป็นการสรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้าหลายพระองค์และที่สุดคือพระพุทธเจ้าสมณะโคดมในสมัยของเราเป็นการแสดงความจริงว่าเท้ามหาราชทั้งสียังบูชาพระพุทธเจ้า ผู้ใดทำร้ายพุทธบริษัทก็เท่ากับเป็นศัตรูของท้ามหาราชทั้งสีในบทสวดเมื่อโดนรังแก่เบียดเบียนก็ให้ร้องเรียนต่อเหล่ายักษ์ผู้บูชาพระพุทธเจ้าและมีบทลงโทษให้ตีหัวผู้รังแก่นั้นให้แตกเจ็ดเสียงให้สังเกตนะครับว่าบทสวดนี้ท่านให้เรามาสวดเสมือนหนึ่งท่องให้เข้าใจและเอ่ยปากออกมาเป็นการกล่าว ให้พูดผีปีศาจ ร, รอบตัวในเวลานั้นได้เข้าใจตามเนื้อความเป็นการป้องปรามเอืิอนสติอมนุษย์เหล่านั้นจะสังเกตได้ว่าบทสวดพระสูตรหลายสูตรที่เราเอามาสวดกันเมื่อแปลแล้วเราก็จะเข้าใจได้ดีว่าบทสวดนั้นต้องทำความเข้าใจและน้อมจิตไปตามคำสวดไม่ใช่ท่องแบบไม่รู้อะไรหวังเพียงเพื่อความคลังคิดว่าท่องแบบไม่เข้าใจ และจะโชคดีมีสุขอย่างที่เข้าใจกันนะครับเหมือนบทพูชงนะครับที่เอามาสวดแล้วคิดว่าจะหายจากอาการป่วยจริงๆแล้วต้องพิจารณาธรรมตา ม, ตามหัวข้อนั้นพิจารณาจนจิตเข้าถึงธรรมจึงหายป่วยไม่ใช่แค่สวดให้กันและอีกฝ่ายจะหายป่วยศา ส, สนาพุทธเป็นศาสนาแห่งเหตุและผลนะครับทุกอย่างมีเหตุและผล แต่ปัจจุบันเป็นที่น่าเสียดายมากที่เรากลายเป็นศาสนาแห่งประเพณีศา ส, สนาแห่งมวลขลังศา ส, สนาแห่งพิธีกรรมโดยที่หลายแห่งกระทาสืบทอดต่อกันมาและก็ยังสืบทอดต่อกันไปการศึกษาพระไตรปิฎกให้เข้าใจการปฏิบัติธรรมจนจิตใสสะอาดจนเข้าใจเนื้อความได้จริงจึงเป็นสิ่งที่จาเป็นมากนะครับขอฝากให้ทุกท่านพิจารณา เข้าถึงเหตุและผลเข้าถึงแก่นศาสนาเพื่อร่วมกันรักษาศาสนาให้ยืนนานที่สุดแบบถูกต้องตรงทางจเจริญในธรรมครับ